เมื่อจิตได้สร้างตัวเองจนปรากฏเป็นจิตที่มีคุณภาพขึ้นมาแล้วความสำคัญต่างๆภายในจิตที่เที่ยวเกาะเที่ยวยึดสิ่ง น, นั้นว่าเป็นคุณค่าสิ่ง น, นี้บอกเป็นของดีมันก็ค่อยๆจางลงไป ตามคุณภาพของจิตที่ว่าขยบตัวด้วยความมีคุณค่าขึ้นไปโดยลำนับเช่นเดียวกันหากจิตไม่รับการอบรมอะไรเลยไม่มีอะไรปรากฏภายในตัวเองเลยจีตก็ต้องคว้านว่นคว้านี้เป็นธรรมดาไม่ว่าจะเป็นใครความรู้สูงต่ำมากน้อยีิเป็นอะไรก็ตามแต่ต้องเป็นในลักษณะดีกันเพราะสิ่งที่พาให้เป็นอยู่กับใจ สำคัญนั้นมันจะเป็นจะดีฮนะอันนี้จะดีอย่างนี้ลอ็ออยู่ทั้งวันทั้งคืนเพราะไม่มีจิตไม่มีความเป็นตัวของตัวเมื่อได้รับการอบรมให้รู้ว่าสิ่งใดเป็นสาระอันใดไม่เป็นสาระอันใดเป็นสาระมากน้อยอันใดไม่มีสาระเลย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 สิ่งที่มันมีคุณค่าและทําจิตให้อับเช้าทําจิตให้ไม่มีคุณค่าหาราคาไม่ได้นั่นออกไปเพื่อจิตจะได้มีคุณค่าขึ้นภายในตัวโดยลํำดับ mm. เมื่อสิ่งที่มันมีคุณค่าอย่างนั้น mm. ค่อยหายค่อยจางไปนักปราชญ์ทั้งหลายท่านถือจิตเป็นสําคัญมากการทำก็ประกาศออกมา ว่ามโนปุพังคมาธรรมามโนเสษฐามโนมายรทมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานส ำ, ำเร็จแล้วโดยใจคือขึ้นใจเป็นสัาผัญจางพาสักิแสดงธรรมแก่พระสารนบุตรก็เช่นเดียวกันทมทั้งหลายคกอจากเหตุเมื่อจะดับก็เพราะดับเหตุก่อนผลก็ดับไปเองคีอพูดถึงมหาเหตุ มหาเรื่องหมายถึงใจดวงนี้ผู้ที่มีสติปัญญาเดลียวฉลาดว่องไวอย่างพระสารีบุตรก็ทราบมหาเหตุได้ทันทีจับความจริงขึ้นได้ในขณนะนั้นที่เรียกว่าสำเร็จพระโสดาบันคือจับหลักความจริงได้อย่างมั่นใจคือยึดหลักได้หายสงสัย ในการที่จะต้องสอะแสวงหาอะไรต่ออะไรอีกนอกจากจะสาะแสวงเพื่อทำขั้นสูงเพื่อหลักอันแน่นหนามันคงยิ่งกว่าที่ได้แล้วนี้ขึ้นไปเท่านั้นจึงต้องเรียนถามพระอ า, าชาติมาท่านอยู่ในสำนักใดใครเป็นครูในการของท่านเมื่อได้ทราบแล้วก็ทัพทัวนมบริษัทปริวารสองร้อยห้าสิบคน ไปศึกษากับอบรมกับพระพุทธเจ้านี่คือได้หลักใจอันแน่นอนไปแล้วในภูมิเบื้องต้นคือโสดาบันนี้หมายถึงเป็นผู้ได้หลักใจอัจระศรัทธาจะยึดหลักที่เป็นความจริงได้ไม่สงสัยเป็นอัจระศรัทธาคือความเชื่อมั่น ไปถึงพระพุทธเจ้าแล้วบรรดาบริษัทบริบาลที่ไปด้วยกัน250คนพ้ะต่างก็ได้สำเร็จนักผลนิพพานไปด้วยกันทั้งหมดยังเหลือภาษาลิบุตรและพะโมคคันลาเรากดว่าเจ็วันพโมคขัลาไม่สเร็จภาษาลิบุตรคืห้าวันเพราะเป็นผู้ให้ครวนเหตุผลภูมิกว้างในสสำเร็จ คือสำเร็จความมีคุณค่ามาหาศาลขึ้นภายในจิตใจนั่นเองมันจะสำเร็จเรื่องอะไรหรือตัดขาดจากสิ่งจอมปลอมทั้งหลายที่มีเคยมีอยู่ภายใจิตใจให้สลายตัวออกไปโดยสิ้นเชิงเหลือแต่คุณค่ามาหาศาลคือใจที่บริสุทธิ์เพียงเท่านั้น ใจนี้ถ้าไม่ชำนาต้นเหตุไม่ชำาระเรื่องแห่งความก่อขวนเรื่องแห่งความท่องเที่ยวออกจากตนเสียงม่ไรใจนี้จะเป็นคงจับหมุนติ้วอยู่กับพบกับชาติกับความเกิดแก่เก็บตายพบน้อยพบหน่หมุนติ้วอยู่กับกิเลสตัณหาธรรมะพูดสรุปความแล้วลงแลวเรียกว่าหมุนติ้วอยู่กับทุกตลอดกายหาเวลาที่จะ ห้นไปไม่ได้หากไม่ชำระสาเหตุเหล่านี้เสียการชำระสาเหตุที่จะตาให้ยันง่ายตาเกิดหรือพาเป็นตัวคงจักรจึงต้องทุ่มเทกำลังความสามารถสติปัญญาลงทุกด้านให้เหมาะสมกับการแก้กิเลสความยากความง่ายเรา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 เมื่อเหตุผลลงในจุดนี้แล้วจะหลีกเลี่ยงไปทางอื่นไม่ได้ก็ต้องก้าวเดินไปตามนั้นดังนั้นบรรดาท่านผู้ปฏิบัติมาก่อนมีระษาบอกทั้งหลายซึ่งได้รับพระโอวาทจากพระพุทธเจ้าแล้วด้วยดีมาดำเนินผู้ยากท่านก็ยินดีในการประพฤติปฏิบัติของท่านผู้ง่ายเท่ากับยินดีในการดาเนินไปตามผลมิสัยของท่านเพราะผู้ยากผู้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 รู้ได้ช้านี่ประเภทหนึ่งปฏิบัติลําบากแต่รู้ได้เร็วนี่ประเภทหนึ่งหรือจะมีสองประเภทเลยลืมเมื่อเราสรุปความลงแล้วก็มีทั้งการปฏิบัติลําบากทั้งปฏิบัติสะดวกพกิเลสมีประเภทเดียวกันกิเลสประเภทที่เหนียวแน่นแก่นกิเลสทั้งหลายมันก็มีที่จะต้องได้ทำด้วยความยากความลำบากที่เราจะเอา กดไปสายไม้ทั้งต้นแบบรูปคำคำที่เหล็กเหล่านั้นกม็มีทางที่จะหล่อออกแม้แต่ผิวหนังก็ต้องขุดค้นกันลงอย่างเต็มที่ฟาดฟันกันลงจนจะไม่มีอะไรเหลือเลยถึงขนาดนั้นที่เหล็กทิงจะหลุดลอยออกไปได้เนี่ยถ้าถึงขั้นที่ละเอียดเราจะไปทําอย่างนั้นก็ไม่เหมาะสมก็ต้องทําตามความละเอียดของทิเล็ปัญญาละเอียดที่เหล็ละเอียด การพิจารณากันก็มีส่วนละเอียดเรียกว่าเบาเหมือนกับสายกบแผงกระดาษไม่ใช่สายกบไม้ทางตน้นฟันไม้ทางตน้นถากไม้ทางตน้นกับสกับสายกบกระดาษ น, นี่มันผิดกันกระดาษมันเป็นรูปสำเร็จมาแล้วเพียงสายกลบลงไปมันก็น่าดูใช้ได้ ไม้ทั้งต้นเราจะเอากบไปใสมันดูไม่ได้คนฟันต้องฟันคนถากต้องถากที่ไหนโคดงอควันลงจนดัดข้มมันกลงหนักมือเหมือนก็จะไม่มีชิ้นที่เป็นสาระเหลืออยู่เลยเมื่อถากได้สัดในส่วนแล้วก็สวยมาจะใสกบก็ขวดหนะการปฏิบัติเมื่อถึงมันอยู่ในขั้นลาบากเราจะไปทำเอาอย่างสะดวกสบาย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 เล้ยวหลไปหมดไม่เป็นท่าเลยเราจรึงควรระวังเราเท่านั้นที่จะเป็นผู้ได้ชัยชนะหรือเป็นผู้แพ้ในสงครามระหว่างกิเลส ก, กับจิตหรือกิเลส ก, กับธรรมไม่มีผู้อื่นใดที่จะมาหยุดยื่นชัยชนะให้แก่เราโดยที่ไม่ต้องทำความภากเปลียนอะไรให้ลำบากขมวดมีเราเท่านั้น ที่จะต่อสู้เพื่อชัยชนะท่านับตัวเราอันนี้เป็นอาตาหิ อ, อา ต, าอาตานูนาถูแท้พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ท่านสอนไว้ยังว่าตุ้มห้ติตจังอาตัดปังอาขาตาโลตถาคาตา่าการปร ะ, ประกอบความเพียรเพื่อแก้ที่เลดทั้งหลายเป็นหน้าที่ของท่านทั้งหลายต้องทำเอง พระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นเพียงผู้ชี้บอกแนวทางให้เท่านั้นหรือผู้หยิบยื่นเครื่องมือให้เราไปทํางานเองเช่งหยิบยกหยิบยื่นปืนให้ต่อสู้ฆ่าสัตว์ปืนก็หมายหมายถึงศรัทธาวิย ญ, ญาติสมาธิปัญญานี่เองจะหมายถึงอะไรเครื่องมือฆ่ากิเลสสาราวุตเพื่อฆ่ากิเลสก็เหมือ น, นเราจะนําทําเหล่านี้ไปปฏิบัติ ต่อทิ่เล็อย่างไรนั้นเป็นอุบายความยากคายฤติกําลังความสามารถของเราที่จะเข้าต่อสู้สงครามด้วยความอดหานทานชาทยด้วยความเฉลียวฉลาดมากน้อยเพียงไรเป็นเรื่องของเรายอถึงความแพ้ความชนะถ้าเราด้อยสติปัญญาศรัทธาความเพียรทิ่เล็กก็ทับถมเราเราก็แพ้ถ้าเรามีความ อาฐานสลาดทานไทยของแคล่วแก้วกล้าด้วยสติปัญญาแหลมคมก็สามารถจะทำลายกองกิเลสอาชวะทั้งหลายซึ่งเป็นข้าศึกนั้นให้ราบไปได้ไทชนะก็เป็นข้องเหล่าเรื่องมีอยู่เท่านี้แต่ละคนละคนเป็นเรื่องที่จะช่วยตัวเองหิงวาราสุดท้ายเราจะหวังพึ่งใครไม่ได้ อยากมิดสหายอะไรก็แล้วแต่ในลัลกษณะการเพียงไรก็สักแต่ทำให้เป็นอารมณ์ยุ่งเหยิงวุ่นวายก่อกวนทางเดินของเราให้ขัดข้องยุย่งเหยิงไปเท่านั้นไม่ใช่เป็นสิ่งเหล่านี้จะเป็นเครื่องบุกเบิกทางให้เราไปด้วยความสะดวกายสบายใจที่เรียกว่าสุขตัสิ่งที่จะเป็นสุขตั ต่อเราโดยเฉพะนั้นก็คือความภาคเพียรของเราที่หวังพึ่งตนเองด้วยสติปัญญากระทาความเพียของเรามีเท่านี้นที่ผู้ที่จะเอาชัยชนะให้จิตหลุดพ้นไปจากสิก่งจิตขวางทั้งหลายที่ท่านเรียกว่ากิเลสกิเลสต้องใช้สติปัญญาของเราให้เต็มผู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 สติปัญญาที่จะนำมาใช้เพื่อแยกแยะธาตุขันธ์เหล่านี้ซึ่งเป็นความผูกพันกับจิตใจหรือใจไปผูกพันกับสิ่งนี้แล้วเอาความร้อนมาสู่ตัวเองก็เหมือนเหมือนกันกันกบครัง้งพุทธการเราจะแก้ด้วยวิธีใดสติปัญญาก็ลรวพุทธเจ้าท่านแก้ได้ด้วยพระสติปัญญา เราจะอะไรมาแก้ทำไมพระพุทธเจ้าทรงรู้ได้เห็นได้และถอดถอนตนออกมาได้จากสิ่งทั้งหลายที่เป็นภาระอันหนักหน่วงนั้นได้แล้วขันของเราหนักมากยิ่งกว่าพระพทุทธเจ้าเพียงไหรก็เท่ากันทำไมเราจะสลัดปัดทิ้งสิ่งเหล่านี้ด้วยสติปัญญาของเราไม่ได้เราเป็นศิษถาคตที่ทรงสั่งสอนความเสียเหลฉลาดให้แล้วทุกแทุกมมแก่เราขึ้นเป็นุทธรรมั ที่จะนำมาคำจัดสิ่งที่เป็นคาสึกดังที่พระองค์ได้เคยคำจัดมาแล้วทำไมเราจะคำจัดไม่ได้นามของคำว่าพุทธบริสัชจะหมายถึงใครท่านหมายถึงเราที่เป็นชาวพุทธและปฏิบัติตามพระองค์อยู่เวลานี้พุทธี้าเข้าสู่สงครามแห่งกองทุกข์ทั้งหลายทั้งกองทุกข์ในธาตในขันธ์ทั้งกองทุกข์ของกิเลสที่รู้ความรู้เท่าไม่ถึงการนั่นก็มีอยู่กับเรา ใครจะเป็นผู้รกใครจะเป็นผู้รุ้ใครจะเป็นฝ่ายแพ้ฝ่ายชนะถ้าไม่ใช่เราคนเดียวนี้ไม่มีใครเกความแพ้เป็นของดีเมื่อไรแต่เขาเล่นกีฬาแพ้เขายังเสียหน้าเสียตาอับอายขายขีหน้าคนหนึ่งอะ่ะเราแพ้กับกีฬานี้เคยแพ้มาตั้งกับต่างกันจนกระทั่งพอรู้ ยังสาภาวะตามหลักคำตังสอนมือเจ้าแล้วมาลบกับกิเลสยังจะแพ้กิเลสที่อีกแล้วก็ขายหน้าครูนอกจากขายหน้าตัวเองแล้วก็ขายหน้าครู่พระตถาคตคือผู้เยาวกล้าสามารถผู้อาหารผู้ชนะในสงสงฆามอันใหญ่หลวงได้แก่ส ง, สงครามแห่งวัฏจักรทรงสลัดปัดทิ้งทําลายกองจักรแห่งวัฏจักร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 ศรัทธาความเพียรของเราเราจะเอาอะไรไปเพื่อความเพื่อชัยชนะมีสติปัญญาที่เท่านั้นที่จะสามารถอาจเอื้อมนำชัยชนะมาสู่เราได้ส่วนคความโง่เขลาวาปัญญามีมากเพียงไงก็เป็นกลุ่มของที่เละที่จะมารุมจิตรุมใจของเราให้เกิดความเดือดร้อนอยู่ตลอดไปและหาทางออกไม่ได้แท้ไปตลอดสาย ความแพ้เขาเล่นกีฬาก็เขาก็อับอายไม่ว่าแพ้อายที่หนูเราแพ้กิเลสจะมีหน้ามีตามีชื่อมีเสียงมาจากไหนก<ฮ>ิเลสเป็นของมีหน้ามีต า, ตาด้วยหรือถึงจะต้องการเป็นบริษัทบริวารของกิเลสเพื่อชัยชนะธทมคือความดีอันเลิศทั้งหลายซึ่งมีอยู่ภายในจิตของเราดวงนี้เช่นเดียวกับกิเลสเป็นผู้ปกครองจิตนี้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 คำว่าสกุลศักดิ์แต่ว่าเท่านั้นพอก้าเข้ามาสู่ความเป็นลูกศิษย์ตถาคตแล้วมีแต่ตั้งหน้าสู้โดยถ่ายเดียวเป็นก็เป็นตายก็ตายไม่หมายปาช้าล้มลงที่ไหนเป็นปาช้าที่ไหนก่อนที่จะลม้มลงไปเป็นปาช้าเพรให้ได้ชัยชนะในสงครามระหว่างพิเรกกับธรรมแจ้ก่อนได้เป็นผู้ครองมหาสมบัติภายในติดใจนี่เป็นสิ่งที่พึงหวังอย่างยางิ่งของพระสาวกเพราะฉะนั้น จึงได้เป็นสังขังสนังกระชามของพวกเราด้วยความสู้เพื่อเอาชัชนะอย่างไม่หมายปลายทานี่ทางนี่คือทางเดินเพื่อชัยชนะของผู้จะไม่มา ก, ก่อพบก่อชาติของความทุกข์ความทรมานแต่ตนตอบไปให้ยืดยาวนาน ต้องเป็นผู้เห็นภผ่ต้องเป็นผู้มีสติสตระจ่างระมัดระวังรักษาจิตใจของตนเสมออย่าให้สิ่งที่มัวหมองเข้ามาเกี่ยวข้องผัวพันมันเป็นของไม่ดีมาแต่ไหนแต่ไรเราก็พอทราบแล้วอย่างกระจับใจการแก้จิตใจให้หลุดพ้นไปโดยลําดับนั้นคือการสร้างคุณสมบัติของใจขึ้นให้เด่นภายในจิตใจของตน จนกระทั่งเด่นขึ้นอย่างเต็มที่สิ่งใดที่เป็นสมมุติซึ่งเคยซึมราบอุูภายจิตใจก็เป็นอันว่าหมดไปเ<ฮ>หลือแต่ความบริสุทธ์ล้วนนี่แลคือชัยชนะอย่างเต็มที่ในศาสนาตถาคตของเราก็เป็นผู้ได้รับชัยชนะมาแล้ว สาวกอาสหาทหารทั้งหลายได้ชนะมาแล้วด้วยวิธีการอันใดวิธีการอันนั้นก็มาสอนพวกเราให้ได้อ่านได้ได้ยินได้ฟังได้ปฏิบัติตามอยู่ขนาดนี้ซึ่งเป็นแนวทางที่ถูกต้องตามหลักศาสน า, าและสาวกท่านดำเนินอยู่แล้วทำไมจะแก้กิเลสไม่ได้ก็มีอยู่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 แดนนิพพานนั้นกลางวานอยู่ภายในความรู้ของเราทุกๆรู้ทุกๆนามแทรกซ้อนอยู่กับกิเลสท่านเองไมาอยู่ที่ไหนเป็นแต่เพียงว่ากิเลสมันออกหน้าต่อไปกิเลสก็ล้าหลังถ้าสติปัญญาถันล้าหลังแล้วก็สลายทิพย์ายมารวมกันหมดป่าเถ่านกิเลส คือที่ไหนที่เผาศพของกิเลสคืออะไรเครื่องเผาเสร็จศพของกิเลสคืออะไรก็คือปัญญาสติปัญญาศรัทธาความเพียรป่าช่างกิเลสที่ไหนกิเลสมันเกิดอยู่ที่ไหนป่าช่งมันก็อยู่ที่นั่นอยู่ที่ใจเผากันที่ใจนั่นเนี่ยคิดหายไปที่ใจคิดหายเพราะด้วยปัญญาตัปะธรรมเนี่ยแปลว่าไฟเผากิเลสตัปปะคือความรุ่มร้อนรุ่มร้อนกิเลส เขาเด็จนรุ่มร้มนอนจนตายไปอยู่ที่ใจเนี่ยที่ว่าพระนิพพานนั้นกลางวานอยู่ภายในาจิตใจของเราทุกคนเป็นแต่เพียงว่ายังไม่ได้เปิดความกลางวานนั้นสิ่งที่ปกปิดกําบังความกลางวานนั้นออกอย่างเต็มที่เต็มฐานเท่านั้นความกลางวานจึงแสดงตัวออกมาไม่ได้ ความกังวันของจิตที่บริสุทธิ์ซึ่งเรียกว่าสาุปาัตติเสสันผานนี้กังวันทั่วแดนโลกธาหาที่กําหนดกฎเกณฑ์หาขอบเขตบริเวณไม่ได้พราะไม่มีสมมติอะไรที่มากีดกัน้นธรรมชาติอันนี้ท่านจึงเรียกว่าทำเหนือโลกเหนือขอบเหนือเขต ข, ของส ม, มุตินิยมใดทั้งสิ้นคือใจที่บริสุทธิ์นี่แหละ จากนั้นก็กลายเป็นธรรมที่บริสุทธิ์ขึ้นมาพูดมาทำบริสุทธิ์ก็ได้ใจที่บริสุทธิ์ก็ถูกไม่มีอะไรแย้งกันสิ่งที่มาแย่งก็ได้แก่สมมุติได้แก่กิเลสเท่านั้นที่จะมาแย่งมาเกิดรบหรือมาเกิดฆ่าสึกกัเมื่อฆ่าสึกหมดแล้วก็ไม่มีอะไรแย้งแต่ว่าอะไรก็ว่าได้ไม่ว่าก็ไม่เป็นปัญหาอยู่อย่างอิสระอย่างสบายๆนีน่มีอยู่อย่าง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 แห่งความรู้นี้แห่งเดียวเท่านั้นไม่มีที่อื่นใดเป็นที่แสดงออกแห่งความพึงใจผมขอยุติการแสดงแผงธนี้